หัวข้อประจำวาระผู้ที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเขียงเท้าบาทจีวรสิกขาบทเป็นยาวะ ต, ะติยกะพึงถามอันตรายิกธรรมจีวรควรอธิษฐานจีวรไม่ควรวิกับเป็นนิสกีเมื่ออรุณขึ้นลูกดุมลูกทวิน ดินไม่สมควรดินสมควรการระงับนิสัยบุคคลไม่ควรไหว้สิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งพรสีมามีโทษบุคคลผู้ดา่าอานิสงเมตตาจัดเป็นหมวดส1บเอ็เอกกุตริกะจบหัวข้อลำดับหมวด หมวดเอกกุตติกะไม่มีมนทินคือหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหหมวดเจ็ดหมวดแปดหมวดเก้าหมวดสิบหมวดสิบเอ็ดอันพระผู้มีพระภาคผู้มหาวีระมีพระธรรมอันปรากฏแล้วผู้คงที่ทรงแสดงไว้แล้วเพื่อความเกื้อกูล แกสัพสัตแลเอกุตริกะจบ